พระาศาสดาตรัสว่าในการนั้นพระเจ้ากาสีทรงพาฤษีทั้งสองผู้ตาบอดไปในป่าใหญ่สุวรรณสามถูกฆ่าอยู่ในที่ใดก็ทรงจูงมือฤษีทั้งสองไปในที่นั้นดาบดดาบศนีทั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนเกลือบเปื้อนฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้ในป่าใหญ่ ดุดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตกเหนือแผ่นดินก็เครื่ำครวนน่าสงสารประคองแขนทั้งสองร้องไห้ว่าสภาพไม่ยุติธรรมมาเป็นไปในโลกนี้พ่อสามะผู้งามน่าดูพ่อมาหลับเอาจริงๆเคลืบเคลิมเอามากมายดังคนดื่มสุราเข้มขัดเครื่องใครเอาใหญ่ถือตัวมิใช่น้อยมีใจงอแง ในเมื่อการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้พ่อไม่พูดอะไรอะไรบ้างเลยพ่อสามะนี้เป็นผู้ปฏิบัติบำรุงเราทั้งสองผู้ตาบอดมาทํากาลกิริยาเสียแล้วบัดนี้ใครเล่าจากชําระชดาอันหม่นมองเปื้อนฝุ่นละอองใครเล่าจักจับกราดกวาดอาสมของเราทั้งสอง ใครเล่าจักจัดน้าเย็นและน้ำร้อนให้อาบใครเล่าจักให้เราทั้งสองได้บริโภคมูลพลาหารในป่าลูกสามะนี้เป็นผู้ปฏิบัติ บ, ตบำรุงเราทั้งสองผู้ตาบอดเจ้ามาทำกาละกิริยาเสียแล้วมารดาผู้ระทมจิตด้วยความโศกถึงบุตรได้เห็นสามะผู้เป็นบุตรนอนเกลือกเปื้อนด้วยฝุ่นทราย ได้กล่าวคำสัตว์ว่าลูกสามะนี้ได้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติได้เป็นผู้ประพฤติดังพรหมเป็นปกติได้เป็นผู้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้เป็นผู้ประพฤตยำเกรงต่อท่านผู้เจริญในสกุลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราโดยความจริงใดๆ ด้วยการกล่าวความจริงนั้นๆขอพิษของลูกสามะจงหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแล้วแก่เราและแก่บิดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามะจงหายไปบิดาผู้ระทมจิตด้วยความโศกถึงบุตรได้เห็นสามะผู้เป็นบุตรนอนเกลือกเปื้อนด้วยฝุ่นทราย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 ด้วยการกล่าวความจริงนั้นๆขอพิษของลูกสามะจงหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามะกระทําแล้วแก่เราและแก่มารดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามะจงหายไปนางพสุนทรีเทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมามะ มากล่าวสัจจวาจาด้วยความเอ็นดูสามะกุมารว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศ ต, ตลอดราตรีนานใครๆอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามะกุมารไม่มีของหอมล้วนแล้วด้วยไม้หอมทั้งหมดณนะคันธมาศบรรพสมีอยู่ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของสามะกุมารจงหายไป เมื่อฤาษีทั้งสองบนเพอรำพันเป็นอันมากน่าสงสารตามะกุมารผู้หนุ่ม ง, งดงามน่าทัศนนาก็ลุกขึ้นเร็วพลันพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าพเจ้ามีนามว่าสามะขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าลุกขึ้นได้แล้วโดยสวัสดีขอท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญ น, นักเลย จงพูดกับข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่มหาบาพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วอนหนึ่งพระองค์เสด็จมาดีมิใช่เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้มีอิสระเสด็จมาถึงแล้วขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ข้าแต่มหาบาพิตรเชิญสเสวยผลมะพร้าว ผลมหาดผลมะสงังและผลหมากเมาอันเป็นผลไม้เล็กน้อยขอได้โปรดเลือกเสวยผลที่ดีๆเถิ ด, ดข้าแต่มหาบาพิศถ้าทรงพระประสงค์ขอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นนำมาแต่ซอกเขาพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้างุนงงเอามากๆงงเอาจริงๆมืดไปทั่วทิศ ข้าพเจ้าได้เห็นสามาบันดิตนั้นทำกาลกิริยาละไปแล้วทำไมท่านมีชีวิตได้อีกเล่าหนอพระมหาสัต์ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโลกเข้าใจซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่สเสวยเวทนาอย่างหนักหมดความรู้สึกยังเป็นอยู่แท้ๆว่าตายแล้วข้าแต่มหาราชเจ้า โลกเข้าใจซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่เสวยเวทนาอย่างหนักถึงความดับสนิทระงับแล้วนั้นยังเป็นอยู่แท้แท้ว่าตายแล้วบุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นบุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม นักปลดทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้บุคคล น, นั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้านี้งุนงงเอามากจริงๆมืดไปทั่วทิศท่านสามะบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสารณะและขอท่านจงเป็นสารณะของข้าพเจ้า พระมหาสัตทุลว่าข้าแต่ขติยะมหาราชขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหณะและพลนิการในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทในสมณะและพรามในฝูงมรึกและฝูงปักษีเถิด ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมเถิดทำที่พระองค์ทรงประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมเถิด พระอินท์เทพเจ้าพร้อมทั้งพระพรหมถึงแล้วซึ่งทิพยสถานด้วยธรรมที่ประพฤติดีแล้วข้าแต่พระราชาขอพระองค์ยาทรงประมาทธรรมสุวรรณสามชาดกที่สามจบ